ความอัศจรรย์ของพระวัด แต่ประสบการณ์ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจท่านที่คุณ ท่านปฏิบัติการวางการประหารกิเลสเอาท่านยอมตายของท่านเป็นเดิมณ กลางวันของวันหนึ่งของวันหนึ่งหลังจากที่หลวงอีกอย่างหนึ่งก็คืออากาศเป็นใจด้วยได้ ก็ต้องตกใจตื่นเพราะเสียงโยมมาเรียกเร็ว เสียงโยมว่ามีคนมานิมนต์ให้ไปศาลาท่าน ท่านยังไม่ทันจะคิดอย่างไรสงสัย โคหคโลงมาทับกุฏิแลกละเอียดเป็นจุล พอถึงการเวลาที่มันไม่อาจ ผู้หญิงคนนั้นสวยงามมากแต่งๆส่วน ทั้งสวยทั้งงามๆถามชื่อนางกษัตริย์ อย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วตามแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีพระนางมัสซีหรือผู้หญิงคนใดอยู่ที่นั่นเลยการณ์ ท่านก็คิดว่าท่านได้มาใกล้ถึงฝั่งลาวเต็มที่แล้วก็คิดว่าท่านได้มาใกล้ ข้าน้อยสัตว์ผู้มีว่าสนาน้อยรู้ในนิมิตนั้นปิติยินดีเป็นอย่าง วาดเข้าท่านถามว่าเรือจะไปที่ใดจากรางลำน้ํามาจอดที่ ก็ข้ามแม่น้ําโขงมุ่งตรงไปสู่ฝั่งหาก หลวงปู่กำหนดจิตพิจารณาจึงทราบว่านั่นคือนั้น ท่านเดินขึ้นฝั่งไปไกลแล้วก็ ใครว่าของไม่ว่าจะไปที่ใดมี ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าหลวงๆนั้น ที่พักของพระเยนอยู่บนเขา ต้องลงมาบินธößArejเชิงเขา และช่วยกันตักน้ำขึ้นไปใส่ตุงบนยอดเขาทางฉันมาก เต็มไปด้วยป่าฑCryที่มีน้ำไหนคม Coy ก่อเกียวสวงอังษะพระเยนความจริงแล้วที่เรียกว่าทางนั้นไม่มีเลย cognitive ลดเลี้ยวลงมาเอง บางมองดูเพียงผิวเผินใบไผ่ที่ตกทับถมกันมอง หลวงปู่ไม่มีใครคิดอะไรมากเย็นวันนั้นฝนตกใหญ่ตกหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาเปรยเสียงลมเสียงฝนเสียงฟ้าเทวดา ตอนรุ่งเช้าพระเนตรเตรียมสมองชีวร ลงไปจนถึงที่ตักน้ําและ จำได้ พ.ศ. 2521 ผู้เขียนกําลังไปสมนากับองค์กรต่างประเทศที่เชียงใหม่วง 1 ระยะนั้นหลวงปู่ยังไม่เข้ากรุงเทพฯบ่อยเหมือน โหยบางทีตอนเย็นเขามีงานเลี้ยงไปห้วยรินอีกทุกๆวันบางที ซึ่งเป็นเนินสูงเป็นเนินสูงผู้เขียนมององค์ ที่เพราะเป็นเวลาเย็นภาพองค์หน้าสุดที่หัวเราะและชี้มือมาที่ผู้เขียนชัดผู้ซึ่งเคยรู้จักท่านอยู่เป็นเวลาคงว่า ไอ้นี่มาไขหน้าพระท่านเช้าก็มาเย็นก็มาทุกวันไม่หยุดเลยเองจึงบ่นออกมาดัง วันรุ่งขึ้นเราก็ไปกันอีกพอถึง ท่านจะไปกราบท่านท่านคุณเมงบอกว่ากุฏิตรงไหนจะ 3-4 ผู้เขียนร้องเสียงลั่นเถียงว่าๆลูกชาย ซิงโครนิบัตรหลวงปู่อยู่จึง 2-3 ซึ่งหลวงปู่บอกองค์ ข้อมูลคัดมาจากหนังสือของคุณทองทิว